วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเราคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำทานกำลังรักษาศีล กำลังภาวนากันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรากำลังหาลาบยศสละเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถ้าเราถามตัวเราเองเราจะได้รู้ว่าเรากำลังเดินทางไปในทิศทางใดเพราะการกระทําของเรานี้ เป็นเหมือนกับการเดินทางที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราทำทางรักษาศีลภาวนากันเราก็จะได้เดินออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันเราก็กำลังเดินสู่การเวียนว่ายตายเกิดกันนี่เป็นความจริงที่พวกเราอาจจะไม่รู้กันเพราะพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นทางที่เรากำลังเดินว่าจะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างใด ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรู้แล้วนำเอาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตัดสรู้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังเดินไปในทางที่จะพาให้เราต้องเกิดแก่เจ็บตาย ไปเรื่อยๆเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆในภพน้อยภพใหญ่ไปเรื่อยๆเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าการกระทํานี้จะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขความเจริญกันทางที่พวกเราหรือสัตว์โลกทั้งหลายไปกันนี้เป็นทางที่จะทําให้สัตว์โลก จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆทางที่สัตว์โลกไปกันก็คือการไปหาลาบยศสรรเสริญการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นงายกันที่เป็นสิ่งที่ถูกฝังอยู่ในใจมากับสัตว์โลก เกิดมากี่ครั้งพอเกิดมาแล้วก็อยากจะหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะคิดว่าจะได้ความสุขกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบเยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด พอตะคุบเหยื่อเข้าไปก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากพอเราหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกันเราก็จะถูกความอยากนี้ทำให้เราต้องติดกับการหาลาบยศสารเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายไปอย่างไม่มีวันที่จะหยุดยั้งได้เพราะเวลาใดที่ไม่ได้หาราบยศสรรเสริญไม่ได้หารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจแล้วก็พอร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปเกิดใหม่และเวลาที่เราเราเวลาที่เรารอมาเกิดใหม่ก็เป็นเวลาที่เราไปรับผลบุญผลบาปที่เราทากัน ในขณะที่เราหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกอินกายกันถ้าเราหาโดยวิธีที่ไม่ได้ทำบาปคือไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้พูดปดไม่ได้เสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเราก็จะไม่ต้องไป ลับผลบาปในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกกันแต่ถ้าเราหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการทำบาปเวลาตายไปเราต้องไปใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้าง ไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างแล้วก็พอใช้กรรมหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายกันใหม่ด้วยวิธีเดิมถ้าเคยหาด้วยวิธีทำบาปก็จะกลับมาหาแบบเดิม พอตายไปก็ต้องไปใช้บาปกรรมในอบายส่วนพวกที่หาราบยศเสริญสุขด้วยการไม่ทําบาปแล้วก็มีการแบ่งปันความสุขที่ได้จากราบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเรียกว่าเป็นผู้ที่ทําบุญพวกนี้ เวลาตายไปก็จะไปรับผลบุญในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วพอผลบุญที่ได้รับนั้นหมดไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายมาหาราบยศรเสริญมาหาความ <c oughs> สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันใหม่พวกนี้ก็ จ, จะเป็นพวกเราเพราะพวกเรานี้ รักษาศีลกันพยายามไม่ทำบาป ก, กันแล้วก็มีจิตเมตตาอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คอยช่วยเหลือกันและกันแบ่งปันความสุขที่เรามีนี้ให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเลือดร้อนเพื่อบรรเทาความทุกข์และบำรุงความสุขให้แก่เพื่อนร่วมโลกด้วยกันพวกนี้ก็จะ เวียนว่ายตายเกิดในระดับสวรรค์กับมนุษย์แต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้ปฏิบัติก็คือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความอยากต่างๆที่เป็นเหตุ ที่ทำให้ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆผู้ใดสามารถเข้าสู่ระดับการภาวนาได้สามารถที่จะทำใจให้สงบได้สามารถสอนใจให้ฉลาดให้เห็นโทษของการกระทำตามความอยากว่าเป็นการนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดก็จะสามารถ หยุดความอยากต่างๆชำระความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้เมื่อใจไม่มีความอยากอยู่ภายในใจใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหล์นตัสราวกทั้งหลายได้ค้นพบ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกมาสั่งมาสอนมาเป็นผู้บอกทางให้กับพวกเราพวกเราจะไม่มีวันที่จะรู้จากทางนี้ได้เลยพวกเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นแต่ชาตินี้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเรา ได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้มาพบกับพระอรหันตสาวกที่รู้จักทางที่จะคอยบอกคอยสอนคอยชี้ให้พวกเราเดินทางกันไปในทางที่จะพาให้เราได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าพวกเรามีโอกาสแล้วไม่ฉวยโอกาสอันนี้ ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะช่วยเราได้มีโอกาสได้หลุดพ้นแล้วแต่ไม่ยอมฉวยโอกาสนี้ยังมีความหลงติดอยู่กับการเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะการหาราบยศสสรสนสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะต้องดำเนินไปในทางที่จะไปสู่ความทุกข์ทางนี้จะเป็นความสุขในขั้นต้นในเบื้องต้นเวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วพอเราได้มาเราก็จะมีความสุขกันอยากได้ลาบหาลาบมาได้ก็มีความสุขอยากได้ยศหายศมาได้ก็มีความสุข อยากได้สรรเสริญพอได้มาแล้วก็มีความสุขอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพะพอได้แล้วก็มีความสุขแต่ราภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันไม่จีรังถาวรเท่านั้นเองมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปพอเวลาที่เราต้องมาเจอกับการเสรื่อม มาเจอกับการพัดผ้าจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเวลานั้นก็จะเป็นเหมือนคนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่ได้เสพจะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับบางครั้งบางคนนี้ทนอยู่ไม่ได้ต้องคิดฆ่าตัวตายกันเพราะว่ามันทุกทรมานใจมาก นี่คือความทุกข์ที่แท้จริงความทุกข์ที่เกิดจากการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะมาทุกตอนที่เราไม่มีความสามารถที่จะหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิก่นรสผลพทพะมาเสพกันได้นั่นเองแล้วมันก็ต้องมีเวลานั้นวันใดวันหนึ่ง เงินทองก็อาจจะขาดขาดไปหมดไปวันใดวันหนึ่งก็อาจจะหมดหมดยศได้เช่นค่าราชการก็จะมียศไปได้ถึงอายุหกสิบปีหลังจากนั้นแล้วยศที่มีอยู่ก็จะหมดไปคนทำงานทำการกับบริษัทห้างร้านมีตำแหน่ง ก็เหมือนกันเวลาพ้นออกจากงานไปตำแหน่งก็จะหมดไปการยกย่องสรรเสริญก็จะหมดไปการนินทาการดูถูกเหยียดหยามก็จะตามมาความสามารถที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะลดน้อยลงไปเพราะการจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จำเป็นที่จะต้องมีราบ มียศเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเวลามีเงินมีทองเวลาเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะได้อะไรนี้มีคนพร้อมที่จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจแต่พอพ้นจากกำนาจไปแล้วพ้นจากการมีเงินมีทองไปแล้วนี้ไม่มีใครที่จะมาคอยรับใช้คอยตอบสนองความต้องการต่างๆ นี่คือความทุกข์ที่จะตามมากับความสุขของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสความสุขนี้เป็นความสุขชั่วคราวชั่วประเดียวประดาวแล้วก็จะถูกความทุกข์ตลบหลังในที่สุดตลบแบบร้อยกาตลบแบบทําให้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป ดังนั้นผู้ที่กําลังเดินไปในทางนี้ควรที่จะพิจารณาถึงความทุกข์ที่จะตามมาเวลาที่ต้องพบกับความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนช้าบ้างเร็วบ้างบางทีบางคนก็มาพบตอนที่แก่แล้วร่างกายไม่สามารถที่จะ หาลาบยุศสนเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่ามีโครคภัยไข้เจ็บมีไม่ไม่มีความสามารถที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้นี่คือเรื่องของผลที่จะเกิดจากการที่เราเดินไปในทางของการหาลาภยศสรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นขาววาดผู้คลองเรือนถ้าลองไปทางนี้แล้วก็จะต้องพบกับความทุกข์ในบ้านปลายอย่างแน่นอนในทางตรงกันข้ามทางที่จะนำไปสู่ความสุขในบ้านปลายก็ต้องผ่านความทุกข์ในเื้อในขั้นต้น ก็คือทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเดินทางเดินกันไปคือทางแห่งทานศีลภาวนาการไปในทางของทานศีลภาวนานี่เป็นความทุกข์ยากลำบากแต่เมื่อเราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราจะได้รับความสุขอันมหาศาลอันยิ่งใหญ่ ความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไม่มีการจากเราไปความสุขของการได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าความสุขของพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานนี้เป็นบรลมะสุขเพราะไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการต้องแสวงหาราบยศสรรเสริญ หารูปเสียงกลิ่นรสพวดสะอยู่เฉยๆมีความสุขไม่ต้องไปดิ้นรนให้เหนื่อยยากไฟเปล่าความสุขที่แท้จริงนี้ไม่ต้องไปดิ้นรนหามันมันมีอยู่ในตัวของเราแล้วเพียงแต่เราต้องทำลายตัวที่มาหลอกให้เราไปวิ่งหาความสุขปลอมกันเท่านั้นถ้าเราสามารถหยุดตัวที่ ดึงให้เราไปหาความสุขปลอมคือความสุขต้นแล้วก็ความทุกข์ปลายของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะได้เราก็จะไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนมันมีอยู่ในใจของเราใจที่ไม่มีความอยากที่จะหาอะไรมาให้ความสุขนั้นแหละเป็นความสุขอย่างยิ่งเรียกว่าพระ น, นิพพานพระนิพพานนี้ คือใจที่ไม่มีตัณหาความอยากทั้งสามคือกามัตันหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตันหาก็คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะภาภาวตัณหาก็คือความอยากเจริญในลาบยศสารเสริญสุขวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่ให้ลาบยศสารเสริญสุขนี้เสื่อมไป นี่คือตัวที่มาดึงใจให้ออกไปวุ่นวายไม่ให้อยู่ในความสงบที่เป็นความสุขอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบตัวร้ายกาศตัวนี้ในพระไถยของพระองค์เองทรงเห็นว่ากามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหานี้เองที่ทำให้พระไถยของพระองค์นี้มีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความทุกข์ พอทรงกำจัดการมตัญหาภาวะตัญหาและวิภววิภาวะตัญหาได้แล้วนี้พระไตยของพระองค์ก็จะมีแต่ความสงบความสงบก็มีแต่ความสุขความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงทำให้พระองค์นี้ไม่ต้องไปหาอะไรอีกต่อไปไม่ต้องไปมีร่างกายเพื่อที่จะได้เป็น เครื่องมือในการหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดโผฏพักกันดังนั้นเราจึงต้องพยายามถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางไปในทิศทางไหนวันเวลาของเรานี้มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆชีวิตของเราจะสั้นลงไปเรื่อยๆ เ, เวลาที่เราจะพาจิตใจของเรานี้ ให้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่สามารถพาจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วแล้วเราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่คราวหน้าเราจะไม่รู้ว่าเราจะได้มาพบกับผู้ที่รู้ทางอย่างพระพุทธเจ้า อย่างพระอรหันตสาวกกันหรือไม่ถ้าเราไม่พบเราก็จะไม่มีใครสอนใครบอกคอยคอยเตือนคอยดึงให้เราไปในทางที่จะพาให้เราได้ไปพบกับความสุขที่ถาวรที่แท้จริงกันเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์กันอย่างที่พวกเรากําลัง หากันอยู่ตอนนี้พวกเราก็พยายามตะเกียกตะกายกันมาทางของพระพุทธเจ้ากันเราต้องยอมรับว่ามันเป็นความยากลําบากเพราะไม่มีใครอยากจะทําทานไม่มีใครอยากจะรักษาศีลไม่มีใครอยากจะภาวนากันอย่างจริงๆจังๆก็พยายามทํากันไปตามพอหอมปากหอมคอ ทำทานกันนี้เปรียบกับการเอาเงินไปใช้ตามความอยากนี้มันต่างกันมากทำทานนี้ปริมาณที่เราทํานี้มันน้อยมากกว่าการเอาเงินทองนี้ไปทําตามความอยากกันไปเที่ยวกันแต่ละครั้งนี่หมดไปกี่สตางค์ไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จําเป็นต่างๆนี่มาเสพกันนี้ มันหมดไปกันกี่ตังค์เมื่อเปรียบเทียบกับการทำทานนี้มันมากน้อยต่างกันขนาดไหนถ้าเรายังใช้เงินใช้ทองเพื่อทำตามความอยากมากกว่าการทำทาน mm. ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้มาในทางของทานอย่างแท้จริงก่อนที่จะมาในทางของทานได้อย่างแท้จริงนี้ต้องเป็นคนที่ ใช้เงินใช้ทองให้กับการทําทานมากกว่าการทําตามความอยากอย่างพระพุทธเจ้าและพระอนุลันตสาวกทั้งหลายนี้ท่านเป็นตัวอย่างของผู้ที่ทําทานอย่างแท้จริงอย่างถูกต้องท่านไม่เอาเงินทองที่ท่านมีอยู่นี้เอาไปใช้ตามความอยากต่างๆเลยมีเงินทองเท่าไหร่นี้เอาไปทาบุญหมด เพื่อที่จะได้ออกบวชกันแล้วก็ไปรักษาศีลกันอย่างเคร่งครัดรักษากันทุกวันทุกเวลาไม่มีเวลาไหนที่ไม่มีการรักษาศีลเป็นนักบวชนี้ต้องรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ต้องเป็นศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลห้า น, นี้ยังไม่เป็นศีลที่พอที่จะ พาจิตใจให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ศีลห้า น, นี้พอป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายได้พอส่งให้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆได้แต่ไม่พอสําหรับการที่จะส่งให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ที่อยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้จําเป็นต้องถือศีลแปดขึ้นไป ศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่ 10, สิบเจ็ดเป็นต้นนี่คือศีลที่จะมีกำลังส่งจิตใจให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะจะทำให้ผู้ที่รักษาศีลเหล่านี้มีเวลามาบำเพ็ญจิตตะภาวนามีเวลาที่จะมาทำใจให้สงบมา รงับดับความอยากไว้ชั่วคราวก่อนแล้วพอสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ชั่วคราวแล้วขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญามาทำลายความอยากอย่างถาวรต่อไปพอได้ทำขั้นสุดท้ายก็คือขั้นปัญญาขั้นที่ได้ทำลายตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจแล้วความอยากก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจต่อไป เมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะใจจะตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความสุขที่เกิดจากความสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือหนทางของพระพุทธเจ้าและพระอาลันตถาสมุ ที่ท่านสอนให้พวกเราเดินกันไปเราจึงต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังทำะารกันอยู่วันเวลาผ่านไปผ่านไปเวลาที่เราจะเดินไปในทางนี้ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆ เ, เรายังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่หรือเปล่ายังอยากหาลาบยศรเสริญกันอยู่หรือเปล่า ถ้าเรายังอยากอยู่และยังทำอยู่ก็แสดงว่าเราไม่ได้มาในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มากันถ้าเราอยากจะไปในทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้ไปกันเราก็ต้องมาให้ได้กันตอนนี้ถ้าเรายังไปในทางของการหาลาบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย เราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนทิศทางกันเงินทองที่เราเอาไปใช้ซื้อความสุขทางตาหูจมูกวิ่งกายเงินทองที่เราเอาไปใช้กับการทำตามความอยากต่างๆนี้เราก็ต้องหยุดมันให้ได้ทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากก็เอาไปทำบุญทาทานแทนถ้าเราทำได้ ต่อไปเราก็จะสามารถเลิกใช้เงินใช้ทองซื้อความอยากทำตามความอยากต่างๆได้พอเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองกันพอเราไม่ต้องไปทํางานหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลามารักษาศีลกันอย่างเต็มที่ รักษาศีลกันได้ตลอดเวลาการที่เราไปทำงานทำการกันนี้มันเป็นการยากที่เราจะรักษาศีลให้ได้บริสุทธิ์เพราะเรามักจะต้องทำบาปข้อใดข้อหนึ่งเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราอยากได้กันหรือไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมา ปฏิบัติกันเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาศีลแปดเราก็จะเอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่พอเรามาถือศีลแปดถือศีลสิบถือศีลสองร้ข้อกันเราก็ปิดประตูของการที่จะเอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน เราจะได้เอาเวลามาทำใจให้สงบกันเพราะการจะทำใจให้สงบนี้ก็ต้องมีเวลามากคือมีเวลาตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเราต้องปฏิบัติกันแบบนั้นเราถึงจะสามารถที่จะทำใจให้สงบได้เช่นเราต้องบริกรรมพุทโธพุทโธ ท, ที่เป็นสติ ที่เป็นตัวสร้างสติที่จะทำให้ใจของเรานิ่งทำให้ใจของเราสงบเราต้องมีการบริกรรมพุทโธไปทั้งวันทั้งคืนเพื่อหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากต่างๆเพราะถ้าปล่อยให้ใจคิดไปในทางความอยากแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปกระทำตามความอยากถ้าไปกระทำก็ต้องไปลาศิกขากันไม่สามารถที่จะรักษาศีลของ ผู้ปฏิบัติทำกันได้ก็จะต้องเดินถอยหลังกลับลงไปสู่การปฏิบัติขั้นต่ำคือการไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปหางานไปหาเงินหาทองแล้วก็ไปเสี่ยงต่อการทำบาปทำกรรม แล้วเวลาตายไปก็ไปเสี่ยงต่อการที่จะต้องไปเกิดในอบายแล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นแลเกิดแต่ละครั้งก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่จะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพัดพากจากกันนี่คือ ทางของพระพุทธเจ้านี้เป็นทางที่ยากเป็นทางที่มีความทุกข์ในเบื้องต้นเพราะมันยากลาบากเพราะมันฝืนกิเลสฝืนตันหาความอยากทุกครั้งที่เราต้องฝืนตันหาความอยากนี่มันจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจอย่างมากแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันเหมือนกับคนที่มีมีน้ําอยู่ที่เท้า เวลาเดินแต่ละครั้งมันก็เจ็บมีเสียนมีหนาำติดอยู่ที่เท้าเวลาเดินนี่มันก็จะเจ็บเวลาเหยียบมันก็จะเจ็บถ้าไม่อยากจะเจ็บก็ต้องบ่งเสี้ยนหนามออกมาเวลาบ่งมันก็ต้องเจ็บแต่พอเอาเสียนหนาำออกมาแล้วพอแผลหายแล้วความเจ็บก็จะหายไปเวลาจะเหยียบกี่ครั้งก็จะไม่เจ็บอีกต่อไป ใจของเราก็มีเสี้ยนน้ำที่ทําให้ใจของเรานี่ทุกทรมานอยู่ตลอดเวลาเสี้ยนน้านั้นก็คือตัณหาทั้งสามนี้กามตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณห า, วะวะหาเวลาที่เราฝืนกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราจะมีความรู้สึกทุกทรมานใจเป็นอย่างมากแต่ถ้าเราฝืนได้แล้วต่อไป ความอยากต่างๆเหล่านี้จะหมดไปจากใจเหมือนกับการได้ถอดถอนเสี้ยนน้ำออกจากใจพอไม่มีความอยากทั้งสามนี้หลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วก็เหมือนกับไม่มีเสี้ยนน้ำอยู่ในใจใจก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจอีกต่อไปในระหว่างที่กำลังปฏิบัติเพื่อกำจัดเสี้ยนน้ำนี้มันก็ต้องมีความทุกข์ทรมานใจกันเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพระพุทธเจ้านี้ท่านไม่ทุกข์กับพวกเราเลยท่านเกยเป็นพระราชจโอรสท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายกว่าพวกเราหลายสิบหลายร้อยเท่าด้วยกันท่านยังไม่กลัวความทุกข์ยากลำบากที่จะต้องมาอยู่แบบขอทานมาอยู่เพื่อฝืนความอยากมาอยู่เพื่อไม่ทําตามความอยากท่านเวลาออกบวชนี้ ท่านมาฝืนการมาทำความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายตอนเป็นพระราชโอรสนี้อยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็สามารถดูได้ฟังได้ตามที่ต้องการแต่ทรงรู้ว่ามันเป็นความสุขแค่ปลายลิ้นเป็นความสุขชั่วขณะที่ได้สัมผัสพอเวลาที่อยากจะสัมผัสแล้วไม่ได้สัมผัสก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจน องจึงต้องออกบวชเพื่อที่จะได้ถอนความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลธภะก่อนที่จะต้องเลิกกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันต้องทุกข์เป็นธรรมดาแต่มันทุกข์เพื่อที่จะให้มันดับทุกข์เพราะว่าถ้าหยุดความอยากได้เลิกความอยากได้แล้วต่อไปจะไม่มีความทุกข์ จะมีความสุขกันทางของพระเจ้าจึงเรียกว่าเป็นทางที่เป็นความสุขเบื้องเป็นความทุกข์เบื้องต้นและเป็นความสุขในบ้านปลายพอเราผ่านความทุกข์ต่างๆได้แล้วพอเราถอดถอนตัญหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้แล้วใจของเราก็จะเหลือแต่บรมังสุขขังเหลือแต่บรมมสุขอยู่ภายในใจตลอดเวลา ในทางของของความอยากนี้ถ้าเราเดินไปในทางของความอยากมันก็จะเป็นความสุขเบื้องเบื้องต้นแล้วก็เป็นความทุกข์ในบ้านปลายเวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วเราทำแล้วได้มาเราก็จะมีความสุขกันอยากได้ลาบพอได้ลาบมาก็ดีใจอยากได้ยศพอได้ยศมาก็ดีใจอยากได้สรรเสริญพอได้มาก็ดีใจ อยากได้รูปเสียงกลิ่นลดโภทภะพอได้มาก็ดีอกดีใจกันแต่เวลา ม, มันเสื่อมหรือมันหมดไปนี้สิมันเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจและก็ต้องเสื่อมต้องหมดไปในที่สุดเพราะร่างกายที่เป็นเครื่องมือหาและเครื่องมือรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่สามารถหาและรักษากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ไปเวลาที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเวลาแก่เจ็บตายจึงเป็นเวลาที่ทุกขทรมานมากสําหรับผู้ที่หาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่สําหรับผู้ที่หาความสงบนี้จะไม่เดือดร้อนเวลาใจได้รับความสงบที่เป็นผลที่เกิดจากการได้ชําระ ตันหาความอยากต่างๆทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจแล้วใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขใจไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายพอเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจจะไม่เดือดร้อนเลยใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกนี่เป็นความสุขตลอดเวลา แม้ร่างกายจะแก่ขนาดไหนก็ตามร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดไหนก็ตามร่างกายจะตายไปก็ตามแต่ใจของผู้ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี้จะไม่เดือดร้อนเลยจะมีปรรมังสุขขังจะมีปรรมมะสุขอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราจะได้รับกันระหว่าง การเดินไปในทางสองทางนี้เดินไปในทางหนึ่งก็จะพาเราไปสู่ความสุขในเบื้องต้นแล้วก็ไปจบที่ความทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งในบ้านปลายอีกทางหนึ่งเป็นทางที่เริ่มต้นด้วยความทุกข์เพราะต้องฝืนความอยากต่างๆแต่ก็นาไปสู่ความสุขในบ้านปลายเวลาที่สามารถกําจัด ความอยากต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้แล้วก็จะไม่ทุกกับลรยอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาวุ่นวายมาทุกข์ยากลาบากกับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายมาวุ่นวายกับการดูแลรักษาและมาเศร้าโศกเสียใจในเวลาที่จะต้องพัดพากจากราบยศสรรเสริญสุขไป นี่คือทางสองทางเราจะเลือกเอาทางไหนดีไม่มีใครที่จะตัดสินใจให้กับเราได้และไม่มีใครจะเดินไปในทางใดาทางหนึ่งนี้ได้นอกจากตัวเราเองถ้าเรารู้แล้วว่าถ้าเราเดินไปในทางหนึ่งมันจะพาเราไปสู่ความสุขในบ้านปลายแล้วถ้าเราเดินไปอีกทางหนึ่งมันจะพาเราไปสู่ความ ทุกในบ้านปลายเราจะเลือกไปทางไหนกันความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยความทุกข์ที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บไปเรื่อยๆอีกทางหนึ่งก็เป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกันเพราะจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความสงบอยู่ตลอดเวลานี่คือทางสองทางที่ พวกเราได้มีโอกาสได้มาเลือกกันในวันนี้พระพุทธเจ้าทรงเสนอทางเลือกอีกทางหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้เราจะไม่มีทางเลือกเราจะต้องไปในทางเดียวกันทั้งหมดคือทางสู่ความทุกข์ในบ้านปลายกันเวลาที่เราต้องเสื่อมจากลาบยศสารเสริญเสื่อมจากลรูปเสียงกลิ่นลดโพธพะกัน เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือใครได้เวลาไปเยี่ยมคนไข้เป็นยังไงเราไปบรรเทาความทุกข์ใจให้กับเขาได้หรือไม่ทางทุก์ทางร่างกายนี้พอบรรเทากันได้มีหมอมียาก็รักษากันไปแต่ความทุกข์ทางใจนี้ตัวใครตัวมันถ้ารู้จักปล่อยวางรู้จัก เลิกการใช้ร่างกายเป็นเครื่องม้าเครื่องมื อ, อาหาความสุขตามความอยากต่างๆก็จะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายของร่างกายถ้าไม่รู้จักใช้วิธีของการทำใจให้สงบวิธีปล่อยวางร่างกายก็จะต้องทุกข์ทรมานอย่างยิ่งในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยและในขณะที่จะต้องตายไป มันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนเพราะพระเจ้าจึงคอยจึงต้องคอึงต้องสอนพวกเราให้หมั่นถามตัวเราเองว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังเดินเข้าสู่ความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายกันเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีวิธีการที่จะต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตายหรื อ, อยัง เราสามารถแก่เจ็บตายอย่างไม่มีความทุกข์ได้หรื อ, อยังเพราะมีวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายได้ก็คือวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินมากันนั้นเองท่านใช้วิธีของการทำทานของการรักษาศีลของการภาวนานี้มาเป็นวิธีที่จะทำให้ ใจของท่านไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายและไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำซากไปเรื่อยๆเพราะวิธีนี้จะหยุดการเกิดได้เมื่อไม่มีการเกิดแล้วก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายไปอย่างถาวรถ้าไม่ใช้วิธีนี้ก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือ สิ่งที่พวกเราควรที่จะถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำทานรักษาศีลภาวนากันหรือว่าเรากำลังหาลาบยศสระเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถ้าเราหาลาบยศสรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือการหาความทุกข์นั่นเอง ถ้าเราหาถ้าเราทำทานรักษาศีลภาวนากันก็เท่ากับเรากำลังหาความสุขกันอันนี้เป็นความจริงผู้ที่เห็นความจริงแบบนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิผู้ที่เห็นว่าการทำทานรักษาศีลภาวนานี้เป็นการหาความสุขเรียกว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นคนฉลาด คนจะลาจะไปทางนี้กันไปทางทานศีลภาวนากันส่วนคนโง่นี่จะไม่เห็นว่าการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นการหาความทุกข์กันแต่กลับจะเห็นว่าเป็นการหาความสุขกันอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขกัน การหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ในสายตาของนักปรารถนทั้งหลายนี้ท่านเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการหาความทุกข์กันแต่ผู้ที่ยังแสวงหาลาบยศสรรเสริญสุขอยู่นี้จะเห็นว่าเป็นความสุขกันก็เพราะว่ามีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจากเป็นดอกบัวเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขกันนั่นเอง เหมือนกับผู้ที่หาความสุขจากการเสพยาเสพติดคนที่มีปัญญาคนที่ฉลาดนี่เขาไม่เสพยาเสพติดกันเพราะเขารู้ว่าเสพยาเสพติดแล้วจะต้องทุกข์ทรมานกันฉันใดการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็เป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดนี่คนฉลาดนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ท่านจึงไม่เสพกันท่านจึงไม่แสวงหากันท่านไม่หาลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกมืนกายกันแต่ท่านหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เกิดจากการทําทานรักษาศีลและภาวนากันถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อเรายึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะอย่างแท้จริงเราก็ต้อง ไปในทางของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm hmm. คือทางแห่งทานศีลภาวนานี้ถ้าเราไม่ไปในทางนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง mm hmm. ถือเพียงแต่เป็นเป็นเหมือนเพื่อให้รู้สึกว่ามีที่พึ่งเท่านั้นเองแต่การถือแบบนี้จะไม่ทําให้เราได้ที่พึ่ง การที่จะได้ที่พึ่งนี้เราต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าพระอาจารตสาวกทั้งหลายได้สงสอนให้ปฏิบัติและได้ปฏิบัติมาแล้วเราต้องทำเหมือนกับที่ท่านได้ทำมาเท่านั้นเราถึงจะได้ที่พึ่งของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงถ้าเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแต่เรายังไปหาลาบยศสรรเสริญ ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็แสดงว่าเราไม่ได้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่แท้จริงอย่างแท้จริงถ้าเราถืออย่างแท้จริงนี้เราต้องไปในทางของทานศีลภาวนาเท่านั้นถ้ายังหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นี้ยังไม่ได้ถือว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง เมื่อไม่มีพระพุทธพระธรมรมพระสงฆ์เป็นสารณะอย่างแท้จริงก็จะไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เพราะว่าเราไม่มีสารณะที่มปาปกป้องคุ้มครองไม่ให้เราพบกับความทุกข์ต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเรามีพระพุทธพระธรมรมพระสงฆ์เป็นสารณะอย่างแท้จริงถ้าเราทําทานรักษาศีลภาวนา เราไม่ไปหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเราก็จะมีสาระที่พึ่องอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะเพราะเราก็จะพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆทุกต่างๆจะไม่สามารถเข้ามาเหยียบย่ำทํำลายจิตใจของเราได้เลยนี่คือการถือสาระที่แท้จริงต้องเสือถือด้วยการปฏิบัติและก็ต้องปฏิบัติเต็มรูปแบบ เต็มร้อยถึงจะได้ผลเต็มร้อยถ้าปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวก็จะได้ผลครึ่งเดียวเหมือนกับเวลาเรากางร่มถ้าร่มเราขาดไปครึ่งหนึ่งนี้มันก็จะป้องกันน้ําฝนได้เพียงครึ่งเดียวแต่ถ้าร่มของเราไม่ขาดมันก็จะป้องกันน้ําฝนได้เต็มร้อยฉะนันสาระที่พึ่งนี้ก็เช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าเราจะ ถือสารณะเป็นที่พึ่งได้มากน้อยเพียงไรถ้าเรายังถือแบบครึ่งๆ่งกลางๆอยู่โอกาสที่เราจะต้องเจอกับความทุกข์ก็ยังต้องมีอยู่แต่ถ้าเราถือสารณะเป็นที่พึ่งอย่างเต็มร้อยอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาจานตสาวกได้ถือกันแล้วนับรองได้ว่าเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่าทาลาย ช, ชีวิตจิตใจของเราอีกต่อไปเลย ดังนั้นขอให้พวกเราจงหมั่นคอยถามตัวเองอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้หลืมว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังไปในทางของทานศีลภาวนาที่เป็นทางสู่ความสุขที่ถาวรที่แท้จริงหรือว่าเรากําลังไปในทางของลาบยศสนเสริญของความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายที่เป็นความทุกข์ที่ถาวร ที่จะพาให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวารวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตุทินงังเปตานาังอุ ป, ปกาปฏิ อิชิต่างปฏิต่างตุ่มหางคิดป้าเมวะสนิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตผวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกผวะ อาิวาทนสีลิศะนิจังุทธาปจายโนจตารโธรมมวะทานติอายุวโนสุขังภาลาําำดับต่อไป น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถาม ก็สามารถถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบถ้าไม่มีจะให้ทางพิธีกรถามปัญหาของที่ทางบ้านได้ส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามถามสดจากผู้ที่ติดตามสดในขณะนี้มีการถ่ายทอดสดในเฟซบุ๊กอยู่ คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งช่วงที่ข้อศอกอักเสบ เ, เวลานั่งภาวนาจะเอามือเหยียดตรงวางไว้ที่บริเวณหัวเขา่าไม่ทราบว่าเหมาะสมหรือไม่คะเวลาเจ็บใข้ได้ป่วยนี้ท่านก็ไม่ถือสากันนั่งยังไงดีกว่าไม่ได้นั่งขอให้ข้อที่สองตามที่พระอาจารย์ได้เมตตาสอนว่า เวลานั่งฟังธรรมควรนั่งพระเพียบหนูอยากทราบว่าหากนั่งฟังหรือดูเทพพระจารที่ถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านและกรณีนั่งภาวนาโดยฟังธรรมจากซีดีไปด้วยจะนั่งขัดสมาธิได้หรือไม่คะได้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่กับผู้แสดงธรรมโดยตรงเรื่องเป็นคือธรรมเนียมของชาวพุทธไทยเหล่านี้จะถือการนั่งพระเพียบนี้เป็นท่านั่งที่มี มารยาทมีความอ่อนน้อมนอบน้อมมีความเคารพซึ่งกันและกันเวลาที่เราพบปะกันคุยกันหรืออะไรกันเราจะนั่งพับเพียกกันอย่างนั้นเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วผู้แสดงนี้ท่านก็นั่งพับเพียบเราก็ควรที่จะนั่งพับเพียบ แต่ถ้าเรามีเหตุผลทางร่างกายว่านั่งไม่ได้จะนั่งขัดสมาธิก็ก็ไม่มีใครว่าอะไรก็เพียงแต่เหมือนกับว่าเราคนที่เขาไม่รู้ก็มองเราเขาก็อาจจะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่มีความอ่อนน้อมไม่มีความาไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำเอาแต่ความสบายของตัวเองเป็นหลัก อันนี้ก็ก็เป็นเรื่องมารยาทพูดง่ายๆคนที่เขาเรียกว่าพูดดีเขามีมารยาทกันสมบัติผู้ ด, ดีสมัยนี้เขาไม่มีเอามาสอนกันแล้วก็เลยไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีอย่างนี้เป็นลิงเป็นข้างก็ถือว่าดีคำถามจากคุณปานปวีเวลาทำจิตให้ว่างเพื่อทำสมาธิ หรือท่องบทสวดอิติปิโสสักพักจะรู้สึกว่าตัวเองรูปร่างใหญ่โตมากขึ้นเหมือนอยู่บนอวกาศจะมองเห็นอะไรเป็นแค่จุดเล็กๆพอเกิดบ่อยๆก็แค่ไม่ดูทำเฉยๆต่อไปอย่างนี้เรียกว่าอะไรคะก็เรื่องว่าอาการของจิตแสงเล็กให้เราดูเราไม่ควรที่จะไปให้ความสำคัญหรือไม่ควรที่จะไปสนใจ แสดงว่าถ้าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนี้แสดงว่าเราไม่ได้ภาวนาแล้วเราไม่ได้ดูลมหายใจเข้าออกเราไม่ได้พุทธโธแลเราควรที่จะกลับกลับมาที่ลมหายใจเรือที่คําบริกรรมพุทธโธเพราะถ้ า, าการนั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้จิตแผงฤทธิ์อย่างนี้ไปมันจะไม่นําไปสู่ความสงบไม่นําไปสู่ความอูเบกขามันก็จะพาให้เราพบอะไรเห็นอะไรแปลกๆ ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วถ้าเราไม่ฉลาดก็อาจจะทำให้เราเพี้ยนไปได้คิดไปตามสิ่งที่เราเห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาคำถามจากคุณโสพลกราบขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำสั่งสอนเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียเช่น Line Facebook หรือเกมสำหรับเด็กมัธยมให้เห็นความจริงเรื่องโทษและอัตราในขณะโพส หรือดูเพลินจนเสียการงานการเรียนแล้ววิธีฝึกจิตเพื่อแก้ไขครับก็อย่าไปใช้มันนะเมื่อมันเป็นโทษไปใช้มันทำไมเหมือนกับมีดเนะี่ยเราไปเอาเอ า, เอามีดไปให้เด็กทำไมเด็กมันจะรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไงมันก็เอามาใช้บาดมือมันมาทิ่มแทงตัวมันเท่านั้นแหละของต่างๆสมัยนี้ความจริงไม่มีเราก็อยู่ได้สมัยก่อนเราไม่มีของตรนนี้เราอยู่กันได้ยังไง เรียนจบปริญญาตีโทเองต้องมีโซเชียลอะไรด้วยเอต้องมีมือถือต้องมีอะไรมันไม่มันไม่มีความจำเป็นจะต้องมีหรอกของพวกนี้มันเป็นเรื่องของอมันมีมันมีไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ต้องผู้ใช้นี้ต้องเป็นคนที่ใช้เป็นเหมือนมีดอย่างเงี้ยถ้าเด็กใช้เด็กมันก็จะเอาไปบาดมือตัวเองหรือเอาไปทิ่มแทงตัวเอง แต่คนที่ใช้เป็นเขาก็เอาไปทำประโยชน์ได้เช่นถ้าเป็นแม่ครัวก็เอาไปทำกับข้าวกับปาอาหารได้ถ้าเป็นคนตัดไม้ตัดฟืนเขาก็เอาไปใช้ตัดไม้ตัดฟืนเอามาทำประโยชน์ได้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนี้เขามีไว้เพื่อให้ใช้ประโยชน์แต่ต้องคนที่ใช้นี้ต้องรู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้ก็ไม่ควรให้เขาใช้ คำถามจากคุณสวัสดิ์พรคำว่าจิตคือผู้รู้ไม่ใช่ตัวตนหมายความว่าอย่างไรคะคือจิตนี้เป็นตัวที่คิดที่ที่รู้คือจิตใจนี้เป็นตัวที่ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายร่างกายของเรานี่มีสองส่วนส่วนที่เรียกว่าร่างกายคืออาการสามสิบสองนี่ผมขอเล่นฟันหนังเนื้อเอ็นกระโดดนี้ เป็นร่างกายส่วนตัวที่รู้สึกนึกคิดนี้เรียกว่าจิตใจแล้วก็เรื่องอนัตตาหรืออัตตานี้คนที่ปฏิบัติจะต้องไปพิสูจน์ต่อไปว่าเป็นอะไรกันแนะ่ตอนนี้ยังไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นนั้นมันก็จะไม่มีวันรู้ได้คิดไปแล้วก็จะทำให้เพี้ยนเป็นบ้าไปได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคิดให้รู้ว่าใจเป็นผู้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวก็แล้วกัน ตอนนี้จิตใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเพาะงั้นให้จิตใจสั่งให้ร่างกายทำในสิ่งที่ดีก็แล้วกันเช่นทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้รู้แค่นี้ไปก่อนแล้วส่วนเรื่องว่าจิตจะเป็นตัวหรือไม่เป็นตัวนี่เดี๋ยวไปถึงเวลาแล้วมันก็จะรู้เองคำถามจากคุณหลานลุงการทำดีกับพ่อแม่เราควรทาอย่างไร เพื่อจะได้บุญเยอะๆครับก็ทำให้พ่อแม่มีความสุขนะทำอย่างใดที่พ่อแม่แล้วทาแล้วพ่อแม่มีความสุขก็ทำไปอย่าไปทำให้พ่อแม่ต้องมีความทุกข์ใจแล้วเวลาที่เขาว่าในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเราควรทำตัวอย่างไรครับ <S <S เราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำผิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำอะไรแล้วถ้าพ่อแต่พ่อแม่ว่าเราเงี้ยค่ะเขาไม่รู้จะทำตัวอย่างไรจะ ก็เฉยๆเมื่อเราไม่ผิดเราก็เฉยๆไปนั้นเราไปห้ามเขาว่าเราไม่ได้เขาอาจจะเข้าใจผิดอาจจะได้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเราอาจจะผิดโดยที่เราไม่รู้ว่าเราผิดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดก็คือพ่อแม่พูดอะไรให้เฉยๆไว้เราไม่มีหน้าที่ตอบโต้พ่อแม่พ่อแม่เป็นเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ของเราท่านพูดอะไรนี่เหมือนกับว่าท่านสั่งสอนเราแล้วท่านก็มีความปรารถนาดีให้เรา เป็นคนดีให้เรามีความสุขอย่างนั้นไม่ว่าท่านจะพูดอะไรถ้าผิดเราก็ต้องให้อภัยอย่าไปถือสาท่านเพราะบางทีท่านอาจจะมีความเห็นผิดในบางครั้งบางเวลาก็ได้แต่เจตนาของพ่อแม่นี้ดีต่อลูกเสมออยากให้ลูกเป็นคนดีอยากแค่ลูกให้ลูกเป็นมีความสุขอย่างนั้นไม่ว่าพ่อแม่จะพูดอะไรจะถูกหรือจะผิดเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปโต้เถียงเราน้อมนับฟัง แล้วก็ยกมือไหว้แล้วจะไปทําตามหรือไม่ก็ค่อยมาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลต่อไปถ้าสิ่งที่ท่านพูดผิดแล้วก็ไม่ต้องทำตามก็ได้เช่นท่านบอกมึงไม่กินเหล้านี่ไม่ดีต้องต้องกินเหล้าถึงจะดีอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปกินคําถามจากคุณมดงานจิตที่เป็นอุเบกขาคือจิตที่ปราศจากความคิดนะขนาดนั้นใช่หรือเปล่าคะ มันก็เป็นเป็นได้ทั้งสองอย่างจิต ท, ที่เป็นอุเบกขานในเบื้องต้นก็เกิดจากการที่จิตหยุดคิดจิตสงบตั้งตั้งอยู่ในความสงบปราศจากรักชังกลัวหลงอันนี้ก็เรียกว่าอุเบกขาแต่พอมีอุเบกขาแล้วก็ยังสามารถที่จะคิดได้ต่อไปถ้าอยากจะคิดก็คิดได้เพียงแต่ต้องคิดไปในทางที่จะไม่ทำลายอุเบกขาถ้าคิดด้วยเหตุด้วยผลนี่จะไม่ไม่ทลายอุเบกขา แต่ถ้าคิดด้วยกิเลสตันหานี้มันจะทำลายอุเบกขาขึ้นมาทันทีคำถามจากคุณวันสุขข้อหนึ่งบางครั้งหนูรู้สึกแย่ที่ครูบาอาจารย์ที่หนูทำงานรับใช้ใกล้ชิดท่านละสังขารอย่างกระทันหันทำให้รู้สึกว้าเวเพราะมีความตั้งใจว่าจะลาออกจากงานไปไปฏิบัติาภาวนาที่วัดตามคำชักชวนของท่านแต่พอท่านละสังขารก็รู้สึกเคว้งคว้าง ไล้ที่พึ่งจึงยังไม่ได้ลาออกงานมาปฏิบัติเต็มตัวทุกวันนี้ก็ฟังธรรมะของหลวงพ่อและปฏิบัติตามกําลังความสามารถแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองอยู่ห่างจากหลวงพ่อเพราะไม่ใช่ลูกศิษย์ใกล้ชิดที่จะได้รับใช้การใส่ใจเขียวเข็นจี้กิเลสได้ตรงจุดเหมือนกับที่อยู่กับครูบาอาจารย์ของตัวเองถามว่าคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ แล้วควรจะคิดจับปฏิบัติอย่างไรให้ได้รู้ทมเห็นทมจากหลวงพ่อเหมือนลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิดคะคือตัวอาจารย์ที่แท้จริงนี้ไม่ใช่สตรีละร่างกายของท่านรูปร่างหน้าตาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อนกระดูกนี้ไม่ใช่ตัวอาจารย์ตัวอาจารย์ก็คือคำสอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นคาสอนผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดอยู่ใกล้ชิดคําสอนทู้นั้นอยู่ใกล้ชิดเราดังนั้นเราอย่าไปถือร่างกายเป็นครูเป็นอาจารย์ร่างกายเป็นเพียงสื่อเป็นเครื่องมือที่จะถ่ายทอดตัวอาจารย์มาสู่เราแล้วสมัยนี้เราก็ไม่ต้องอยู่ใกล้กับตัวอาจารย์เพราะว่าเรามีสื่อที่จะสามารถถ่ายทอดตัวอาจารย์มาให้ถึงบ้านเราถึงตัวเราได้ตลอดยีสก็คือเนี่ยมืด ตัวสับมือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้มีธรรมะเต็มไปหมดคิดถึงอาจารย์เมื่อไหร่ก็เปิดฟังเทศฟังธรรมของท่านอ่านธรรมะของท่านนี่ก็ถึงตัวท่านแล้วไม่ต้องไปเกาะชายผ้าเหลืองไปเสนอหน้าหรอกท่านลําคาญเปล่าเพราะท่านท่านอยากด้อยู่ใกลๆอย่ามาอยู่ใกล้อยู่ใกล้แล้วมันเรื่องมากว่ากิเลสมันจะออกให้ใช่อะไรหรอก เดี๋ยวก็อยากจะได้นู่นได้นี่จากอาจารย์อัดฟะอาจารย์ไม่พูดด้วยก็น่า ง, งองน้าหงิกอันนี้ไม่ได้เป็นการเข้าไปหาหาอาจารย์เข้าไปหากิเลสดังนั้นอย่าไปถือว่าการอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วจะดีมันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณคนที่อยู่หา่างไกลครูบาอาจารย์จะเป็นได้คุณประโยชน์กว่าเพราะมีความเกงโงกเกงใจจะไม่ค่อยกล้าลาบตำลวงไม่ค่อยกล้าที่จะ ปล่อยให้กิเลสออกมาแผงฤตแต่คนไหนกูบาอาจารย์เมตตาหน่อยโอ้โหกิเลสออกมาเป็นแถวเป็นขบวนเลยดังนั้นขอให้เราอย่าไปยึดติดกับร่างกายของครูบาอาจารย์ให้ยึดติดกับคําสอนและพยายามอยู่ห่างไกลดียิ่งถ้าเป็นผู้หญิงด้วยอย่าไปอยู่ใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องขึ้นมาอีกข้อสองการภาวนาในแต่ละวันของหนู จะพยายามอยู่กับพุโทโธพยายามอยู่กับปัจจุบันพยายามไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เวลามีเรื่องมีปัญหาไม่สบายใจหนูก็จะแขวนมันไว้ก่อนเพราะใช้เพราะถ้าใช้ปัญญาแก้ตอนนี้ก็ไม่จบและยิ่งคิดยิ่งฟุ้งซ่านจึงพยายามอยู่กับพุโทโธอยู่กับปัจจุบันแต่มันก็จะเผลอและใช้กาลังมากบ้างน้อยบ้างในการดึงกลับ ความรู้สึกตอนนี้มันเหมือนล้มลุกคลุกคาลานและยากลำบากบางครั้งท้อแท้จนอยากเลิกภาวนาแต่พอคิดได้ว่าไม่ว่าเกิดกี่ชาติก็ต้องมาแก้ปัญหาเดิมๆเจอทุกแบบเดิมๆถ้าพยายามทำสเสียตั้งแต่ตอนนี้ก็ถ้าไม่หยุดและทาไปเรื่อยๆมันจะง่ายขึ้นและจะแก้ปัญหาในใจได้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วเราต้องคิดอย่างนี้เราต้อง อย่าหนีปัญหาเราต้องสู้ปัญหาแก้ปัญหาเราต้องสร้างเครื่องมา้าเครื่องมือขึ้นมาเพื่อมาใช้ต่อสู้กับปัญหาต่างๆเราเป็นเหมือนเด็กที่ยังหัดเดินอยู่มันก็ต้องมีการล้มลุกคลุกคานเป็นธรรมดาแต่ที่เราโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเดินไปไหนมาไหนได้ก็เพราะว่าเราไม่ยอมถอยล้มลุกคลุกคานมาแล้วก็พยายามลุกขึ้นมาจนในที่สุดเราก็สามารถเดินได้ ชั้นใดการปฏิบัติในเบื้องต้นมันก็จะล้มลุกคุกคานนั่งสติแล้วเดี๋ยวก็เผลอแล้วก็หายล้มไปแล้วเดี๋ยวพอได้สติก็ดึงกลับมันขึ้นมามันก็ต้องผัดกันไปอย่างล้มลุกคุกคานไปแต่ถ้าเรามีความพยายามมีความอดทนมีความแน่วแน่ต่อการที่เราจะสร้างสตินี้ขึ้นมาสักวันหนึ่งเราจะไม่ล้มลุกคุกคานเราจะมีสติอยู่กับเราตลอดเวลา และเราจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายได้คำถามจากคุณธัญรัตน์คนที่เป็นหมอแล้วรับซองที่คนไข้ใส่เงินมานอกเหนือจากเงินที่ได้จากเงินเดือนและค่าตรวจตามปกติโดยมีพยาบาลหน้าห้องตรวจแนะนำว่าต้องใส่ซองให้คุณหมอคนไข้ต้องการให้ดูแลเป็นพิเศษจึงต้องให้ทุกวันนี้ในแวดวงแพทย์เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา แบบนี้ถือเป็นคอร์รัปชันไหมคะและบาปหรือเปล่าคะก็ไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นบาปเพราะเป็นการให้ด้วยด้วยด้วยความสมัครใจก็เป็นธรรมดาคนเราอยากจะได้รับบริการดีมันก็ต้องจ่ายมากหน่อยเขาถึงมีเครื่องเครื่องบินชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามกันถ้าอยากจะบินราคาถูกก็มันก็มีแต่ มีแต่ถุงพลาสติกให้มีถ้วยพลาสติกให้ถ้าอยากจะกินอย่างจานใช้มีดซ้อมด้วยของดีมันก็ต้องไปชั้นหนึ่งนั่งชั้นหนึ่งมันก็ต้องเสียเงินมากหน่อยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันกันหมอเขาก็ต้องมีรายจ่ายเขาก็มีลูกมีมีลูกมีเต้าเขาก็ต้องส่งเรียนหนังสือกันที่เขาไม่ไปทางานเอกชนก็ถือว่าเป็นบุญแล้ว รายเงินเดือนที่ก็ได้จากโรงพยาบาลรัฐเขาก็ไม่พอที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาใช่ไหนถ้าเรามีฐานะที่พอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเขาเพราะเขาก็ช่วยเราเราไปหาเขาเขาก็ดูแลเราแล้วเราจะเอาราคาชั้นสามได้ยังไงจ่ายราคาชั้นสามแต่จะเอาบริการชั้นหนึ่งมันย่อมเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามผลนั่นแหละอันนี้ไม่ถือว่าเป็นคอร์รัปชันคําถามจากคุณโกศล จิตแตกเป็นอย่างไรครับรักษาหายหรือเปล่าครับจิตแตก่ะจิตแตกก็คงสติแตกนะ ส, สติแตกก็บ้าไงบ้าก็มีสองแบบบ้าแบบชั่วข้าวกับบ้าแบบทาวรถ้าอยากจะรักษาก็ต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยพุโทโธไปเรื่อยต่อไปมันก็จะไม่แตกคาถาม <c oughs> จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม <c oughs> คราว่าที่เป็นผู้หญิง สามารถถือศีลแปดได้ไหมคะเพราะในชีวิตประจำวันและการทำงานต้องเจอเพื่อนร่วมงานผู้ชายและต้องขับรถยนต์ได้ด้วยไหมคะคือศีลแปดนี่ก็รักษาแบบเข่งมากกับเข่งน้อยได้ถ้าเรายังทำงานทําการอยู่ยังต้องพบปะกับคนอยู่นี่ก็ไม่เป็นไรคือขอให้ที่เขาให้เข่งเพื่อจะได้กันไม่ให้ไปเกิดไฟลุกกันนะระหว่างหญิงกับชายเพราะว่า ต้อรักษาศีลก็สาก็คืออบราฮมจริยาก็คือการไม่ร่วมหลับนอนกันนี้ถ้าไปอยู่กันสองต่อ2ไปแตะเตาะต้องแตะเนื้อต้องตัวกันเดี๋ยวไฟมันลุกขึ้นมาแล้วมันจะทําให้ไม่สามารถรักษาศีลก็สาได้แต่ถ้าเราสามารถรักษาศีลก็สาได้โดยที่เรายัางพบปะกกับคนนั้นคนนี้เพราะเราต้องทํางานร่วมกันต้องคุยกันอะไรทําอะไรกัน ถ้าเรายังสามารถรักษาศีลข้อสามได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเป้าหมายที่เขาไม่ให้ไปอยู่ใกล้กันอยู่กันสองต่อสองเพราะกลัวว่ามันจะหักห้าอารมณ์ไม่ได้แล้วมันจะทําให้ไม่สามารถรักษาศีลข้อสามได้นี่เองคำถามจากคุณพินแคนเมื่อภาวนาไปจิตเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาบ่อยๆแม้จะกําหนดจิตให้พุทโธต่อก็ตามค่ะควรแก้ไขยอย่างไรดีคะ ก็อย่าไปสนใจกับความเบื่อหน่ายคิดถือว่าตอนนี้เราเผลอถ้าเราไม่เผลอสติแล้วความเบื่อหน่ายมันจะไม่เกิดเราต้องรีบกลับมาที่การสร้างสติพุทโธพุทโธไปถ้าเราเบื่อพุทโธเราก็สวดวนไปก็ได้หรือเปลี่ยนพิกแพงวิธีพุทโธบ้างก็ได้เช่นบางคนก็ใช้พุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามอาแล้วก็ตั้งเป้าว่าวันนี้จะต้องเอาสองพันถ้ายังไม่ได้สองพันจะไม่หยุด พุโทโธหนึ่งพุโทโธสองไปเรื่อยๆถ้ามันมีอะไรเป็นเป้าหมายมันก็จะทำให้มีกำลังจิตกาลังใจที่จะทำแล้วจะได้รู้ว่าเออวันนี้เราได้ทำสำเร็จนะเป้าหมายของเร า, เาพวกนี้เราจะได้เพิ่มเป็นสี่พันเพราะยิ่งทำมันยิ่งดีมันยิ่งสงบมันต้องมีอุบายวิธีพิกแพงเปลี่ยนแปลงบ้างถ้ามันเบื่อใช่ไหมเรากินข้าวเราเบื่ออาหารชนิด น, นี้เรายังเปลี่ยนไปกินอาหารชนิดอื่นได้เลย กรรมฐานก็มีอยู่สี่สิชนิดด้วยกันถ้าเราเบื่อพุทโธเราจะอาการสามสิบองไมล่ะท่องเที่ยวในการนครดูบ้างก็ได้อยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดไม่เคยรู้จักหน้าตามันเลยมาพบปากมันหน่อยสิมาดูผมบ้างมาดูขนบ้างมาดูเล็บมาดูฟันมาดูหนังมาดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเยื่อในกระดูกดูม้ามดูหัวใจดูตับดูผังผืดดูปอด ดูตับดูไตดูลำไส้นีดูไปซิอันนี้ก็เป็นกรรมฐานแทนพุโทโธได้มันก็จะไม่เบื่ออาจจะตื่นเต้นดีใจได้ไปเที่ยวอยากจะเที่ยวไม่ใช่เหรอแต่ถ้าอยากจะเที่ยวให้เที่ยวในกายนครอย่าไปเที่ยวในที่กรุงเทพมหานครให้เที่ยวที่กายนครมีประโยชน์กว่าเพราะจะทำให้เกิดปัญญาจะทำให้ดับความทุกข์ต่างๆเกี่ยวกับร่างกายได้คาถามจากคุณแอ เราจะมีวิธีคิดแบบไหนให้ตัวเราเองมีกำลังใจและไม่ขี้เกียจในการทำทานรักษาศีลและภาวนาครับกายคิดว่าถ้าเราไม่ทำก็เหมือนกับคนไม่กินข้าวคนไม่กินข้าวมันอะไรจะเกิดขึ้นเวลาไม่กินข้าวมันก็หิวโซเซทรมานอย่างใดถ้าเราไม่ทำทานรักศีลภาวนาเราก็จะวุ่นวายใจเราก็จะมีแต่ความเครียดความทุกข์เนี่ย ถ้าเราทำทานรักษาศีลภาวนาเราก็จะมีแต่ความเย็นความสบายใจคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้ามีหนี้กระผมจะบวชได้ไหมครับก็ต้อง<ต>ใช้หนีห้หมดก่อนนะเขาบอกว่าแต่ว่าการใช้หนี้ให้หักเงินเดือนบำนาญไปเรื่อยๆจนหมดครับก็ไม่รู้แหละ ว, วิธีไหนก็ได้นะถ้าไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องมารบกวนเราขณะที่เราบวชก็ใช้ได้กลัวว่าเดี๋ยวเจ้าหนี้จะตามมาที่ วัดแล้วมาลอบกวนน้องพี่มัสั ก, การ์ดครับอาจารย์ครับครับก็ขอเรียนถามพระอาจารย์ครับก็คือที่ไปบวชมาล่าสุดนะครับกับพระอาจารย์จะเรียนที่วระธรรมสหายสองเดือนนะครับก็ไปรู้จักพระที่เป็นวิศวะเป็นหมอครับที่เขาฝร้างถังโลมาบวชหลายหลายรูปเลยฮนระก็แต่พระสงฆ์ใ่คือบางองค์ก็บวชเป็นสิบปีแล้วครับแต่ว่าคือ คือที่วัดจะแบ่งเป็นสองสอ ง, สองพระไมสองประเภท ค, คือประเภทนหนึ่งคือเน้นปฏิบัติแต่ประเภทหนึ่งคือเขาปฏิบัติเขาจะไม่ค่อยนั่งสมาธิเข า, าจะไปทําพวกสาตว์นัแทนคือแบบว่าจะมาก่อสร้างมาอะไรอย่างนี้ยครับคือก็คือปฏิบัติไม่ได้ก็จะมาเน้นก่อสร้างแทนเงนี้ยครับคือผมสงสัยว่าแบบคือเขามีจิตที่จะสละทางโลกครับมาบวชแล้วครับแต่ว่าทําไมเขาถึงปฏิบัติไม่ได้แบบเขาว่าคือแบบเขาว่าทำไมเขาภาวนามไม่ได้แบบบางทีเขาก็ ก็ยอมรับผมว่าแบบบางทีก็ภาวานาแล้วก็หลับไปเลยนยรครับคือผมเข้าใจว่าแบบมันน่าจะควบคู่กันไปคือแบบว่าคนที่มีจิตมีบุญขาดนี้สามารถสร้างโลกได้แล้วแต่ว่าไม่การปฏิบัติมันไม่ควบคู่ไปพร้อมกันด้วย อ, อ๋อจิตของเขาก็เป็นเหมือนรถยนต์บางคนก็เป็นรถสีล่ล้อเ อ, อ่อโฟร์วีนบางคนก็เป็นรถเกง่งขึ้นเขาบางทีก็ขึ้นไม่ไหวถ้าขึ้นไม่ไหวก็เลยต้อง อ, อวิกลอบเขาไปก่อนออทํางานเกี่ยวกับทางวัดไปก่อนชาตาน่าประโยชน์ไปก่อน เพื่อที่จะสร้างกำลังให้มีขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะได้ขับขึ้นเขาต่อไปได้อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอความเพียรสติวิทยาสมาธิปัญญายังไม่แก่กล้าพอสู้คนที่เขามีอินทรีย์แก่กล้าเขาก็ไปได้เลยเขาไม่ต้องมาทํางานที่ว่าก็เป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็จะแบ่งท่านก็จะรู้ว่าคนไหนเป็นยังไงคนที่ภาวนาได้ท่านก็จะปล่อยให้ภาวนาไป คนที่ภาวนาไม่ได้แล้วอยู่เฉยๆฟุ้งซ่านก็มาหางานมาหางานให้ทำคลายความฟุ้งซ่านไปยังดีกว่าก็ภาวนาได้บ้างแต่ยังไม่ได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องของอินทรีย์แต่ของหลักแต่ละคนที่ได้สร้างขึ้นมาไม่เท่ากันครับแล้วเราเราทำไมเราอยู่ไม่ได้นะทําไมไปดูคนอื่นแล้วทั้งแล้วไม่ดูตัวเราอะ ผมก็สงสัยอยู่คือผมไปเท่านี้ก็เน้นปฏิบัตินะครับคือไม่ไม่ได้ไปช่วยเรื่องก่อสร้างอะไรเลยครับแต่บางทีบางวันก็นั่งได้ดีบางวันก็นั่งแล้วสึกเขียดคือบางครั้ข้อวัดมันเข่งมากครับจนแบบทําให้เราเครียดเรานั่งไม่ได้ครับคือมันก็เลยทําให้ผมเข้าใจว่าแบบคือเราเข้าใจว่าไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันน่าจะปฏิบัติไ ด, ด้ดีแต่ความจรงิงคือถ้าเราอยู่ริฐฐ่จิตที่มันสบายครับแบบไม่เข่งเกินไปแบบเป็นหาสายกลางอแบบคือมันน่าจะปฏิบัติได้ดีกว่าครับมันก็มีคุนทั้งโทษของการอยู่ ถ้าเค่งแล้วเราเราเค่งไม่ไห ว, วมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับเราแต่คถ้าเป็นที่เค่งแล้วคนที่เขาอยู่ได้ <c oughs> เขาก็จะได้รับประโยชน์เพราะเขาก็จะได้ไปได้อย่างง่ายไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเราไปอยู่ที่ไม่เค่งมันก็ไม่มีอะไรมาคอยผลักมาดันเราเราก็อาจจะอยู่สบายแต่เราจะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่เนี่เราก็ต้องดูตัวเราด้วยว่าเราไปอยู่ที่ไหนได้เหมือนกับสถาบันการศึกษานะี่ S <S <an> <S เขาก็มีมาตรฐานที่จะรับนักศึกษาไม่เท่ากันบางแห่งก็สองจุดก็เข้าได้บางแห่งก็สองจุดห้าบางแห่งก็สามจุดบางแห่งอาจจะสามจุดห้าเขา้าถึงจะรับก็มีมันก็แล้วแต่ว่าเราจะมีความสามารถที่จะไปเข้าในสถาบันไหนได้วัดแต่ละวัดก็มีมาตรฐานของการปฏิบัติที่เข้มข้นไม่เท่ากันผู้ที่จะไปเข้าวัดแต่ละวัดนั้นถ้าไปอยู่วัดที่ มันเข้มข้นกว่าความสามารถของเราเราก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไปอยู่วัดที่มันมันไม่เข้มข้นเท่ากับความสามารถของเรา ม, มันก็ทำให้เราไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วเนี้ยเราก็ต้องเลือกวัดที่เหมาะกับฐานะของเราครับจริ ง, รงอย่างพระอาจารย์ท่านท่านเก่าครับ<อ>คือผมผมก็ไปอยู่พันธหายประมาณสองเดือนแล้วก็มาอยู่กับพระอาจารย์โสภาอีกสองาทิตย์ครับ S <S <S ก็รู้สึกมาอยู่พัทธิาที่เข่งน้อยกว่านี้รู้สึกปฏิบัติแล้วมันก้าวหน้ากว่าคือเราไม่ไม่เข่งเกินจนเกินไปครับก็ <S <S 2> <S 2> ต้องหาวัดที่เหมาะกับเราบางทีเราไปอยู่วัดที่ไม่เข่งเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมาดันเราเลยเราก็บางทีอยู่แล้วรู้สึกไม่ก้าวหน้าเราก็ต้องไปหาวัดที่เข่งเพื่อที่จะมาผลักมาดันเราเพราะบางทีความเข้มข้นนี่บางทีเราตัวเราเองไม่ค่อยอยากจะบักบังคับเท่าไหร่ ต้องอาศัยกูบาอาจารย์ต้องอาศัยวัดที่กขามีความเข้มข้นมาบังคับอย่างสมัยที่เราอยู่บ้านปฏิบัติตามลำพังนี้เราก็ไม่ได้อดอาหารไม่รู้ว่าการอดอาหารนี่จะช่วยการภาวนาได้แต่พอไปอยู่ที่วัดป่ามัณฑะเห็นพระท่านอดกันมันก็เลยทำให้เราอยากจะลองบ้างพอลองอดแล้วมันก็เห็นว่าออมีคุณมีประโยชน์ทาให้เราขยันภาวนาทาให้การภาวนาของเราคืบหน้า เพราะมันบังคับให้เราต้องนั่งภาวนาอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาอดอาหารนี่มันมันหิวมันทรมานใจถ้าปล่อยให้มันหิวทรมานใจมันจะทนไม่ไหวแต่ถ้าเราภาวนาทำใจให้สงบแล้วมันความหิวมันจะหายไปมันก็เลยเป็นการบังคับให้เราภาวนาไปโดยปริยายถ้าไม่ได้อดอาหารมันก็จะขี้เกียจนะกินอิ่มแล้วก็ไม่มีความหิวนอนดีกว่าแต่ถ้าเวลามันหิวมันนอนไม่หลับ นอนยัง่มันก็นอนไม่หรอมือนก็ต้องลุกขึ้นมาภาวนาอันนี้ก็อยู่ที่สถานที่ที่จะช่วยเราได้ถ้าเราอยู่ตามลำพังเรามักจะเข้าข้างกิเล ข, ของเราเองเท่านี้ก็พอแล้วจะไปเอาอะไรมากไหม <c oughs> มันก็เลยไม่ค่อยก้าวหน้าแต่พอไปอยู่ที่อื่น <c oughs> เห็นคนที่เขาปฏิบัติเข้ม <c oughs> เข้มข้นกว่าเราเราเห็นเขาจิตใจเขาดีกว่าเราเราก็อยากจะเป็นเหมือนเขาพระอาจารย์ครับทําไม่ตอนที่ผมบวดครับ สองเด้่ผ่านมาคือผมบวชฟอกสองรอบครับรอบแรกไม่เคยฝันว่าจะเป็นพระเลยครับแต่คราวนี้ผาบวชรอบเนี้อยู่กับพี่อาจารย์เรียนคนระับฝันทุกครั้งเลยว่าจะฝันว่าจะเป็นพระเป็นพระทุกครั้งแล้วก็ก็จะมีการมาลองจิตผมคือแบบให้ให้อบัตอย่างเงี้ยครับก็อาจะเป็นเพราะเรามีความตั้งใจมากขึ้นและเรามีสติสตางมากขึ้นคั้งแเราจะบวชแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะเป็นพระอย่างจริงจังเหมือนกับครั้งที่สอง อะไรที่มันตั้งใจแล้วมันก็จะฝังอยู่ในใจเราเวลาเรานอนหลับมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วอย่างการปฏิบัติเนี่ครับทําไมมันเหมือนเขาเป็นคนอีกคนนึงคือเหมือนเหมือนเขาจะมาให้เราสงบก็สงบเองแต่ถ้าเราอยากตั้งใจจะสงบเนี่ยมันก็ไม่ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ใจไม่สงบก็เพราะความอยากให้มันสงบงั้นเวลานั่งอย่าไปอยากให้มันสงบ ให้ขยันเจริญสติไปโดยที่ไม่ต้องการพื่ไม่ต้องไม่สนใจกับเรื่องผลว่าจะได้หรือไม่ได้เเพราะถ้าอยากแล้วต่อให้ทํำยังไงมันก็จะไม่สงบนะแต่ถ้าเราภาวนาไปพุทโธไปดูรวมไปสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ไม่สนใจเดี๋ยวมันก็จะสงบได้คือผมสงสัยครับคืออย่างตอนที่ไปบวชครับคือการวัดว่าจิตสงบไม่สงบคือต้องต้องจิตต้องนิ่งจนถึงจิตเตี้ยมแพ้ครับคือแล้วเรานั่งแล้วมัน เราไม่ฟุ้งซ่านเราอยู่กับความสุขอยู่ความสงบเนี่ยมันก็ยังไม่ถือว่ามันรู้เป้าหมายครับคือความเป้าหมายนี้คือมันต้องจิตนิ่งรวมไปอยู่ที่ ม, ปปมันต้องอับ ป, ปนานะมันต้องอับปานจิตต้องรวมศักแต่ว่ารู้ครับไม่คิดปรุงแต่งอุเบกขาแต่ก่อจะถึงจุดนั้นได้มันก็ต้องผ่านจุดอื่นๆไปก่อนแต่ตอนต้นก็ไม่ฟุ้งซ่านก่อนแล้วก็ค่อยสงบไปที่เราเล็กเทียรน้อยแล้วในที่สุดมันก็จะวุบลงไปถึง ถึงขั้นสุดท้ายแล้วมันจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่สติของเราเป็นหลักนะครับอย่างพระบรรทัน ท, นที่วัดวัดท่ามทหารนั่นก็บอกว่าคือแม้ว่าเข้าถึงจุดติดเดิมแท้ได้แล้วครับเข้าได้ครั้งเดียวก็ยังไม่อยู่ว่าเป็นของแท้คือมันต้องเข้าได้ถึงห้าหกครั้งในอ๋อต้องทำํำจนถ้ามันเข้าได้ทุกครั้งต้องํางานเหมือนตอนเราหัดยิงปืนเนี่ยเราเผิ่มซุปยิงเข้าเป้ากอง ตรงกลางเราคิดว่าเราจะได้เราลองไปยิงใหม่มันไม่เข้ารเราก็ต้องพยายามซ้อมยิงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะยิงทุกครั้งแล้วเข้าเป้าทุกครั้งเนี่ยการฝึกสมาธิถึงสอนบอกว่าก่อนที่เราจะไปทางปัญญานี่เราต้องชำนาญทางสมาธิก่อนเราต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้อย่างนั้นนะ่ะถึงจะเรียกว่าเราชนานาญสมาธิมีสมาธิแล้วเราถึงจะควรไปทางปัญญาได้ ถ้านั่งเขาได้บ้างไม่ได้บ้างนี่ไม่หอว่าเป็นสมาธิใช่ไหมก็ยังไม่ชํานาญครับคืออย่างที่วัดก็บอกว่าต้องนั่งได้2ชั่วโมงต่อกันนะครับนั่นถือว่าใช่เหมือนนักเรียนเรียนหนังสือสอบบางครั้งก็ได้4จุดบางครั้งก็ได้2จุดนี้มันยังแสดงว่ายังไม่เก่งจริงครับถ้าเก่งจริงมันต้องได้4จุดตลอดครับขอบคุณพระอาจารย์มากมากครับคำถามจากคุณกูล การที่จะเข้าใจเรื่องกายเวทนาจิตธรรมควรจะทําอย่างไรบ้างคะก็ศึกษาเลว่ากายเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงจิตเป็นยังไงธรรมเป็นยังไงร่รางกายก็ศึกษาว่ามีอาการสาสองเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เป็นอนัตตาเป็นอย่างไรก็เพราะว่ามันมีแต่อาการสามสองมันไม่มีตัวตนในการสามสสองมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอย่างไรทุกข์เพราะเราไปยึดไปติดไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้เป็นตัวเราของเราพอมันกลายเป็นซากศพเราก็เสีย อ, อกเสียใจนี่คือการศึกษากายเวทนาก็ศึกษาเวทน า, า, นาเป็นอย่างไรก็คือความรู้สึกก็มีอยู่สามสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ เวลาสุขมันเที่ยงไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปสุขแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วมันก็มาทุกข์ทุกข์มันเที่ยงไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาเป็นไม่สุขไม่ทุกข์แล้วเราไปสั่งมันได้หรือเปล่าไปควบคุมบังคับมันให้เป็นสุขอย่างเดียวได้หรือเปล่าไม่ได้แต่ถ้าเราอยากให้มันสุขอย่างเดียวเราก็จะทุกข์เพราะเวลานั้นไม่ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันไม่มันไม่สุขแล้วะ เราไปสั่งให้มันหายได้หรือเปล่าก็สั่งไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันหายหรือไปอยากไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ปล่อยมันเฉยๆมันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปเพราะเราทําอะไรไม่ได้นั่นเองแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอ่ะจะยกตัวอย่างเราแค่สองตัวนี้ทําไม่ได้ก่อนเรื่องจิตเรื่องธรรมนี้ไปค่อยว่ากันต่อมันเป็นขั้นสูงแล้ว คำถามจากคุณสมเจตควรเรียนอภิธรรมควบคู่กับการปฏิบัติไปด้วยหรือไม่ถ้าควรเรียนควรเข้าใจเรื่องใดเป็นส่วนสําคัญครับเอ่อทั้ที่ทั้ที่ได้ยินได้ฟังมาครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่เคยสอนให้เรียนอภิธรรมกันท่านสอนให้เรียนร่างกายนี้พอไม่ต้องเรียนมากให้รู้ร่างกายนี้รู้วันที่จังทุกขังนั้ตารู้เกิดแก่เจ็บตายรู้เรื่องดินน้านมไฟ รู้วิธีทําใจให้สงบรู้วิธีเจริญสติจากคุณอัฐพลค่ะพิจารณาความตายเห็นง่ายแต่กับเรื่องอสุภะเวลาพิจารณาก็เห็นอยู่แต่พอออกจากการพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเห็นคนไม่เคยพิจารณามาก่อนถึงเห็นก็เห็นแต่เวลาภาวนาเท่านั้นพอออกแล้วมันไม่เห็นขออุบายวิธีแก้ด้วยครับก็พยายามมองเวลาที่เราเห็นคนก็พยายาม มองถึงคนที่เราได้พิจารณามาแล้วเี่เราพิจารณาซากศพหรือไปดูการผ่าศพพอเราเจอใครเราก็ผ่าศพเขาเลยผ่าร่างกายเขาเลยแหวก อ, อกไปเลยดูตับไตไส้พุงของเขาเลยถ้าเราไม่แหวกเราไม่คิดละมันก็จะมองไม่เห็นส่วนหนึ่งที่มองไม่เห็นเพราะเรายังดูมันน้อยไปเรายังจำไม่ได้พอไปเจอคน ที่เดินได้ปั๊บนี้ลืมไปเลยว่าซากศพเป็นอย่างไรอาการสามสิบสองเป็นอย่างไรมองไม่เห็นเพราะเรายังดูไม่มากพอมันจําไม่ได้พอเห็นภาพจริงภาพที่เราเคยดูมานี่มันหายไปหมดเลยฉะนั้นต้องหมั่นพยายามพิจารณานึกถึงมันอยู่เรื่อยๆเดินยืนนั่งนอนนี่พยายามนึกถึงอสุภะอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียว เวลาเดินจงกรมเวลาทําอะไรนี่สามารถพิจารณาอสุภะได้ตลอดเวลาต้องพิจารณาอยู่อย่างเนืองๆจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นถ้าอย่างนั้นนะเวลาเจอขายนี้มันอสุภะมันจะโผล่ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วคําถามจากคุณสุภัตตานั่งสมาธิทุกคืนมีอยู่คืนหนึ่ง นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหลือแต่ลมหายใจคืออะไรคะแล้วต้องทําอย่างไรต่อไปคะมันหายก็ร่วมมันหายก็นั่งไปนานๆอย่าไปลุกให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันเย็นให้มันสบายคําถามจากคุณห่วยถ้าเราตั้งใจร่วมสร้างสาราปฏิบัติธรรมด้วยความศักดิ์ค่เพราะที่นั่นเป็นสาราปฏิบัติธรรมที่เน้นปฏิบัติจริงเราจะได้อา น, นิสงส์อย่างไรบ้างคะ ก็ได้ทานทานที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นคำถามจากคุณคณนัตตะมลจะขอขามาพ่อแม่ผู้ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่อย่างไรคะก็ระลึกภายในใจขอขอมาไปภายในใจคำถามจากคุณสวย ถ้าเราต้องการทำห้องพระไว้ในบ้านเราควรหันหน้าพระพุทธรูปไปทางไหนเพื่อความถูกต้องและความเป็นสีม่มงคลเพื่อเอาไว้กราบไหว้บูชาและนั่งสมาธิเจ้าค่ะทิศไหนก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมที่เราตั้งว่ามันอย่างไหนจะเหมาะสมอันนี้ไม่มีข้อกําหนดตายตัวไม่จำเป็นว่าจะต้องไปทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออก ให้มันดูแล้วมันเหมาะสมมันดูแล้วไม่มีดูแล้วมไม่น่าเกลียดกันล้งกันคำถามจากคุณชาวลิศถ้าเราตั้งสัจจะจะเดินจงกรมสามชั่วโมงแต่มีเหตุทำไม่ถึงจะทำให้เราเสียสัจจะเราจะตั้งใหม่ได้ไหมครับแล้วเรากลายเป็นคนไม่มีสัจจะใช่ไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราตั้งสัจจะแล้วมีข้อยกเว้นหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อยกเว้นแล้วเราเลิกก็แสดงว่าเราขาดสัจจะแต่ถ้าเราตั้งไว้แล้วเรามีข้อยกเว้นว่ า, ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถที่จะเดินต่อได้อันนี้แล้วเราจะกลับมาทำต่อทีหลังอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเสียสัจจะเช่นเราเดินไปชั่วโมงแล้วมีเหตุสุดวิสัยเราต้องไปดึงให้เราไปทำธุระอย่างอื่นพอเสร็จธุระแล้วเนะเราก็กลับมาทาต่อให้มันครบสามชั่วโมงที่เราตั้งไว้มันก็ ยังไม่ถือว่าเสียสัจจะคําถามจากคุณกิติรัตน์การเอาเงินที่ได้มาจากการช่อราบรังหลวงมาทําบุญจะได้บุญใหม่ครับได้บุญนั้นได้แต่เงินที่ได้มาจากการช่อราบรางหลวงมันก็จะมีโทษตามมาถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาจับได้ก็จะต้องไปติดคุกติดตารางแล้วตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบาย แล้วชาติหน้าเกิดมามีทรัพย์มีสมบัติก็จะถูกคนอื่นเขามาโกงกินจากเราไปคําถามจากคุณชัชวานเวลานั่งสมาธิแม้จิตไม่สงบลงสู่สมาธิแต่จิตอิ่มอารมณ์ในพุทโธครับแล้วทําไมก็ดีอิ่มก็ดีนั่งเพื่อให้มันอิ่มนั่งเพื่อให้มันสบายพยายามไม่อิ่มนานๆ น, น, นั่งนานๆานานไป นั่่งบอยๆคำถามจากคุณสุณสจีพรถ้ามีความจําเป็นต้องฆ่ามดมาแมลงสาบทางทั้งที่อยากทําเพราะรู้ว่าผิดศีลควรทําอย่างไรคะก็ลองคิดว่าเราเป็นมดบ้างเป็นยังไงถ้าเขาจําเป็นจะต้องฆ่าเราเรายินดีให้เขาฆ่าหรือเปล่าคำถามจากคุณอาชามีคนบอกว่าการนําดอกไม้เวียน มาไหว้พาอีกเป็นบาปจริงหรือไม่คะไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นการหาเงินหาทองเท่านั้นเองหมดแล้วเลยดอกไม้ก็เป็นดอกไม้ถ้าเราไม่ได้ไปขโมยดอกไม้นั้นมาขายก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นดอกไม้ที่เราได้มาโดยชอบทำใครก็ให้มาแล้วเราเอามาขายก็ไม่ไม่ไม่เสียหายตรงไหน ดอกไม้ที่เขาให้มาถ้าเ็าให้เรามาเพื่อเรามาเรามาบูชาพระแล้วเราไปขายก็อาจจะผิดเจตนขาของการรับก็ได้ไม่มีปัญหาเราเช่นทางบ้านตอนนี้มีเข้ามาเท่าไหร่นะ ด, ดูสามร้อ3สี่สเจ็ดวันนี้จำไว้นะหวยนะ <c oughs> <c oughs> เปิดเปิดช่องให้แล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไหาา ม, มถามมา คำถามจากคุณอีทอยากให้ลูกชายเข้าสู่เส้นทางธรรมะหรือบวชค่ะเพราะเห็นว่าทางธรรมเป็นทางที่ปลอดภัยจะมีวิธีให้เขาเข้าสู่เส้นทางนี้ได้อย่างไรคะรตอนนี้สี่ขวบนั่งสมาธิสวดมนต์พอได้ค่ะเราก็ต้องพาเขาเ ข, าเข้าวัดบ่อยๆแล้วถ้าดีเราก็บวชก่อนเขาถ้าเราบวชแล้วเดี๋ยวเขาก็บวชตามเราดูพระพุทธเจ้าพอท่านบวชแล้วท่านก็เอาลูกมาบวชต่อได้ แต่ถ้าเราไม่บวชแล้วเราจับลูกบวชเดี๋ยวลูกมันก็ศึกเพราะพ่อแม่ไม่ได้บวชเนี่ยแต่ถ้าพ่อแม่บวชมันก็จะทําตามพ่อแม่ดังนั้นถ้าอยากจะให้ลูกบวชพ่อแม่ก็บวชก่อน <c oughs> มีครับคำถามจากคุณอาติตการนั่งสมาธิถึงแม้จิตไม่รวมไม่สงบยังจะเกิดอ น, นิสงส์อยู่ไหมครับก็ได้ผลที่เรากําลังสร้างเหตุอยู่ถ้าเราไม่สร้างเหตุผลมันก็จะไม่เกิดงนั้นก่อนที่ผลจะเกิดเราต้องสร้างเหตุก่อน การสร้างเหตุก็เป็นอันที่สองอย่างหนึ่งคำถามจากคุณสายชนวิถีชาวพุทธควรกราบไหว้สารเจ้าที่หรือสารตามต้นไม้หรือไม่ครับเ อ, อไม่ต้องหล้วเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พอเพราะเราถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นชารณะที่พึ่งที่สูงสุดที่ดีกว่าที่พึ่งทั้งหลายแต่เราก็ไม่ควรจะจะไปลบหลู่สิ่งที่เราไม่ได้ถือเป็นที่พึ่ง เช่นคนอื่นเขาอยากจะกราบไหว้าสารเจ้าก็ปล่อยเขากราบไปอย่าไปลบหลู่เขาเขายังไม่รู้ว่ายังมีของที่ดีกว่าเหมือนคนที่ใช้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพเราใช้สินค้าที่มีคุณภาพเราก็อย่าไปดูถูกดูแคลนคนที่เขาใช้สินค้าที่ด้อยกว่าเพราะเขาอาจจะไม่มีความสามารถที่จะซื้อสินค้าที่มี มีมีประสิทธภาพที่ดีกว่าได้เขาก็ต้องใช้สินค้าที่ที่เขาสามารถที่จะซื้อได้แต่ก็ยังเชื่อในเรื่องการกราบเรื่องสารจงสารเจ้าอยู่ก็ปล่อยเขากราบไปแล้วก็กราบพระพุพะทธรธรรมพระสงฆ์ก็พอคำถามจากคุณชวีวงเวลานั่งสมาธิต้องภาวนาหายใจเข้าพุทธโธออกหรือเปล่าคะ ได้ไหลายอย่างพุโทโธอย่างเดียวก็ได้เดืลมหายใจอย่างเดียวก็ได้หรือพุทเข้าโธออกก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดเราชอบแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นคำถามจากคุณลดาการสวดมนต์สามารถอุทิศบุญให้มารดาบิดาล่วงรับได้หรือไม่คะไม่ได้หรอกบุญที่จะอุทิศได้ต้องบุญที่เกิดจากการทําทานคำถามจากคุณแนน ถ้าเราสวดมนต์แต่สะกดบาลีผิดจะเป็นไรใหม่คะก็ผิดท่านคคำถามจากคุณนรงเดชอุบายในการเพิ่มความเพียรครับขอเรียนถามอุบายในการเพิ่มความเพียรครับเพราะตอนนี้รู้สึกพอใจนปัจจุบันแล้วทำให้ขาดซึ่งความเพียรครับอ๋อก็เบก็นึกถึงผลที่เราจะได้รับจากการทำความเพียรเพิ่มขึ้น ถ้าเราเพียรมากขึ้นเราก็จะได้ผลมากขึ้นเหมือนกับการทำมาค้าขายถ้าเราขายน้อยเราก็จะได้กำไรน้อยถ้าเราขายมากเราก็จะได้กำไรมากมีได้มีรายได้มากขึ้นอย่าถ้าเราเพียรปฏิบัติมากขึ้นเราก็จะได้ผลมากขึ้นคำถามจากคุณน้ำหญิงขอถามพระอาจารย์ค่ะตั้งสติทเช่นไร ก็เราเลิกถึงพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องราวต่างๆให้ใจอยู่ปัจจุบันให้ให้รู้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปคําถามจากคุณห้วยก่อนนั่งสมาธิจําเป็นต้องสวดมนต์ไหวพาก่อนหรือไม่คะนั่งเลยได้ไหมคะได้ทั้งสองอย่างอยากจะสวดก่อนค่อยนั่งก็ได้แล้วจะนั่งเลยก็ได้แล้วแต่ความถนัด คำถามจากคุณแฮปปี้สวดชินนะบัญชรไปเรื่อยๆแทนพุทโทได้หรือไม่ครับได้คืออย่าให้ไปคิดอะไรท่านั้นเองการสวดชินบัญชรสวดอะไรก็ตามหรือพุทธโทนี้ก็เพื่อที่จะยับยั้งความคิดของเราไม่ให้ไปคิดถึงสามีคิดถึงลูกคิดถึงงานคิดถึงเงินคิดถึงปัญหาต่างๆพอคิดแล้วก็จะทำให้ใจวุ่นวายไม่มีความสุข พอเราหยุดความคิดได้ใจเราก็จะเย็นจะสบายนั้นจะใช้พุโทโธก็ได้ใช้บทชินบัญชอนก็ได้ใช้บทเพระสูตรไหนก็ได้ที่เราพอใจที่จะสวดขอให้สูตรไปนานๆแล้วใจเราจะเย็นจะสบายหมดแล้วยังอ่ ะ, อะว่าไปเรื่อยๆจนคำถามจากคุณน <4 S 1> ิมคมข้ อ, อที่หนึ่งตอนมีอารมณ์ฟุ้งซ่านหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้ว การใช้สติรู้อารมณ์กับการนึกพุโทโธให้ถี่ยิบแบบไหนดีกว่าครับก็แล้วแต่ว่าอันไหนจะได้ผลดีกว่าก็เอาอันนั้นถ้าใชด้ดูแล้วอารมณ์นั้นดับไปได้ก็ใช้วิธีนั้นถ้ามันไม่ดับก็ใช้พุโทโธไปคำถามจากคุณนาลิศอิติลิ์จากพระเครื่องมีจริงไหมครับเราไม่เคยมีพระเครื่องเราไม่สามารถตอบได้ ส่วนใหญ่อิทธิฤทธิ์นี่มันไม่ได้มาจากพระเครื่องมันมาจากจิตของผู้ปฏิบัตินะผู้ปฏิบัติถ้าจิตมีวาสนาเดิมแล้วก็มีพลังนี้เขาก็จะมีอิทธิฤทธิ์ได้เช่นพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะเนี่ยทั้งมีอิทธิฤทธิ์มีตาทิพย์ทิพย์มีลึลึกชาติได้มีอ่านวาลัจิตของผู้อื่นได้อันนี้เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของวัตถุมงคลนะ วัตถุมงคล น, นี้เป็นเพียงวัตถุไม่สามารถที่จะออกฤทธิ์ได้เพราะตัวเองยังไม่สามารถรักษาตัวเองไว้ได้เลยดีไม่ดีถูกใครก็ขโมยไปก็ได้เผลอวางไว้ที่ไหนก็ถูกขโมยไปเสียอนพระเขายังตัดไปขายได้ดังนั้นไม่มีไม่มีอิทธิฤทธิปาฏิหารในวัตถุมงคลวัตถุมงคล น, นี้อยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติคําถามจากคุณพานุวัฒน์ คานั่งสมาธิแล้วมีอาการตัวยืดขึ้นโยกไปมาบางครั้งมีอาการคล้ายๆกับแขวนแกว่งไปมาแบบนี้ปกติไหมครับก็เป็นปกติสําหรับคนเรานั่นแหละแต่คนอื่นอาจจะไม่มีก็ได้คือการนั่งแต่ละครั้งแต่ละคนนี้จะมีอาการแตลกๆมาหลอกมาล่อใจเราไม่ต้องไปสนใจขอให้เราอยู่กับการภาวนาของเราไปอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกไป คำถามจากคุณจิรัตการบริจา่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักเรียนแพทย์ถือเป็นการกุศลไหมครับถ้าเป็นบุญไม่เป็นหรอกถ้าอยากให้เป็นบุญต้องบริจาคตอนที่เรายังไม่ตายเช่นบริจาคตับตายใครต้องการหัวใจก็เอาไปใครต้องการถ้าอย่างนี้จะได้บุญแต่ถ้าเราตอนที่เราตายไปแล้วนี้มันไม่ได้บุญนะเพราะเราไม่รู้สึกอะไรกับร่างกายเสียแล้วเราไม่มีส่วนรับรู้เกี่ยวกับการ บอยจากของร่างกายแล้วมันไม่ได้เป็นของเราแล้วเวลาเวลาร่างกายตายนี่เหมือนกับเราหย่า ก, กันแล้วเหมือนกับสามีภรรยาเลิกกันแล้วเวลาเลิกกันแล้วสามีภรรยาไปอยู่กับใครนี่เราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเขายังเป็นของเราแล้วเราบอยจากเขาไปได้เนี่ยถ้าเราทําได้แสดงว่าใจเราเก่งใจเราปล่อยวางได้ชั้นใดถ้าเราอยากจะได้บุญก็ต้องบอยจากตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ถึงจะได้บุญแต่ถ้าเราบริจาคตอนนี้ตายไปแล้วก็จะได้ประโยชน์เกิดจะได้เป็นเป็นเป็นวิชาให้กับนักศึกษาที่เขาอยากจะศึกษาเกี่ยวกับร่างกายก็จะเป็นประโยชน์ในทางนั้นแต่ไม่เป็นบุญสำหรับเราเพราะเราไม่มีความรู้สึกรับรู้กับการเสียสละของร่างกายนี้ไปหมดแล้วใช่ไหมโอเคในที่นี้มีใครอยากจะถามอีกไห ถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพนพนิดเพจณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ